เราตามสะดวกนั่นตามตามสบายไม่ต้องหวนะนั้นเราขึ้นบทธรรมะแล้วก็อะไรไปไปไม่เป็นคุยกันเล่นเล่นไป <c oughs> ใจเอาคิดว่าเาชื่อว่าทุกคนฟนังธรรมมาฟังงันหูเป็นรู้แล้วแหละแล้วก็รู้หลักปริัติทุกอย่าง นั่งภาวนาแบบไหนโดนโยกมมแบบไหนกูรู้หมดประเด็นคือทำยังไงจะมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติได้สเสมอต้นสเสมอปลายนั่นแหละ ค, คือคือคือโจทย์ที่จะตอบให้ตัวเองหาทางให้ตัวเองเราฟังทำรู้แต่รู้มากมันก็ไม่ดีมันเฝื่อรู้มากรู้มากยากนานรู้น้อยพอลำพังเอาแต่พอดี แล้วก็ลงมือปฏิบัติให้มากอพระพุทธเจ้าไม่ใช่ซิมันปลอยไม่ใช่อริสโตเติลนะไม่ใช่นักคิดนักเขียนนะแต่เป็นนักปฏิบัติผู้ยิ่งใหญถ่ถ้าเราอยากเห็นผลเหมือนพระองค์เราจะต้องย้อนไปสร้างเหตุเหมือนพระองค์ยอนไปสร้างเหตุแตใ่ให้มันให้ให้มันพอดีกับเราเนี่ยการปฏิบัติทำการมาฝืนมาฝึกฝึกความรู้ความเห็นของเราเลยอ่า ความรู้ความเห็นเห็นมากี่พบกี่ชาติแล้วเห็นว่าอย่างนั้นดีเห็นว่าอย่า ง, งา น, นาางงี้ถูกก็ทําทําตามความคิดทําตามความเห็นแต่มันก็ผิดผิดถูกถูกอยู่ทัทง้ทงทั้งที่ก็รู้ว่าถูกทัทง้งทั้งที่ก็คิดว่าดีแต่ก็ยังทุกอยู่ดีจริงทําไมทุกอ่ะหันมาดูตรงนี้นะดูตรงนี้ในศาสนาพุทธ การปฏิบัติบูชาเจ้าทั้นสอนทุกอย่างเพื่อที่จะลดละความสําคัญมันหมายอืแต่ใดที่มีความสําคัญมตนหมายอยู่อ่าคุณทุกแน่นอนสําคัญมันหมายมากทุกมากสําคัญมันหมายน้อยกับทุกน้อยความสําคัญมันหมายเป็นตัวกวอมวลความสำคัญมติหมายมากความหนาแน่นของมวลก็มากความสําคัญมันหมายน้อยความหนาแน่นของมวลก็น้อยถ้าไม่มีความสําคัญมตนหมายเลยก็ดียังได้มีมวลมวลกิเลสได้กิเลส ออื่าเราก็มาปฏิบัติ อ, อืในช่วงที่มีเวลาไม่ต้องใช้สมองมไม่ไ ม, ไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวเรื่องมากมานั่งดูลมหายใจเข้าออกทําไมต้องมานั่งดูลมหายใจเข้าออกมานั่งภาวนาเนี่ยเพราะจิตนจิตคือทารู้ไม่ต้องออกรู้อืมรู้เพระจิตอยู่ไหนนี่อ่ามันก็รู้ไปหมดมก็เลยให้มันรู้อยู่ใกล้ใกล้ พยายามที่จะดึงมันมาให้มันอยู่ใกล้ตัวไว้อืมแก่ตัวอท่านก็นเลยต้องเอาคําบริกรรมหรืออะไรนั่นที่เราชอบอะ่ะดูลมให้ใจเข้าออกประกอบหายใจเข้าพุดธหายใจออกโทรหรือจะอยู่กับคํำบริกรรมพุทโทธรทมโมสังโฆอะไรก็ได้เป็นเครื่องอยู่เกาะไว้ให้มากๆอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่ามาอ่าสอนมาทําให้มากจนกว่ามันจะเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งได้ให้มันรวม เดี๋ยวนี้มันไม่รวมอ่ามันไม่รวมไปอยู่ไหนก็ไปอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละอยากไปอยู่ไหนให้มันรวมเป็นหนึ่งมันก็จะหนีจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยใจกับทีนี้มันก็มาอยู่กับธรรมอารมความจําเรื่องราในอดีตเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยมันตีล้วนอยู่อ่าเราก็พยายามฝืนพยายามฝืนให้มันเข้าสู่ความสงบให้ได้อ่าให้มันเห็นมัเห็นชัดเจนถ้ามันเข้าสู่ความสงบได้จริงมันก็จะเห็นชัดเจนแล้วแหละตายแล้วไม่ศูญเป็นยังไงอะ ในขณะที่มีแต่ตัวรู้ล้วนๆอ่ะอืมสารและพลังงานอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่อันหนึ่งอเดียวกันเน่ะมีตัวรู้ล้วนๆแต่ไม่มีแม้กระทั่งลมหายใจเี่ยนัน ก, ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วตาแล้วไม่สูญในขณะนั้นมันก็จะไม่ทุกข์อืมก็จะมีข้อมูลเปรียบเทียบว่าที่ไม่ทุกข์เพราะอะไรมันก็มาสอนอ่ามันเปรียบเทียบโดยปกติเราทุกข์ทุกข์เพราะความสําคัญมั่นหมายออกไปสําคัญมันหมายนู่นนั่นนี่ มันไม่ไปไหนหรอกไม่ไปรักกับไปชังไม่ไปอดีตกันอนาคตนั่นแหละไปอยู่ตรงเนี้ะเราดึงมันมาเนี่ยถ้ามันไม่สําคัญมั่นหมายกับอะไรถ้าไม่มีอะไรสําคัญมั่นหมายเราหันน้อมเข้ามามีข้อมูลเปรียบเทียบอืมเพื่อจะให้มีข้อมูลเปรียบเทียบมันถึงจะต่อยอดในการปฏิบัติต่อไปเหมือนเราไม่เคยสัมผัสกับ ก, บกลางคืนคุณเอาข้อมูลไหนไปเปรียบเทียบกับกลางวันไงคุณไม่ได้เคยจะสัมผัสกั บ, กบความสงบที่แท้จริง คุณยกข้อมูลไหนไปเปรียบเทียบกับความฟุ้งซ่านเนี่ยเราจะไปเห็นโทษเห็น<ด>คุณของความฟุ้งซ่านได้ยังไงอ่ะมีแต่ว่ากันไปอืมศึกษาตำรากันดูจากอ่ตำราเล่นนั้นเล่นนี่ศึกษาธรรมะจากหนังสือเล่มนั้นเล่มนี่ก็รู้จักตัวหนังสือไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็รู้จักปูนั่นลุงตานี่อยู่วันไหนออะเปัญหาคือไม่รู้จักตัวเองพระเจ้าท่านบอกเ อ, อให้นั่งดูตัวเองให้มากๆนะตัวเองความรู้สึกนึกคิด อ่ามันนึกอะไรมันมันรู้อะไรเนี่ยพยายามฝืนมันนดึงมันมาให้สติที่เข้มแข็งขึ้นได้ได้อ่าถ้าสติเข้มแข็งขึ้นเมื่อไหร่อ่ะจิตมันก็จะมีกำลังขึ้นจิตมีกำลังกระบวนการคิดวิเคราะห์ก็จะมีคุณภาพกระบวนการคิดวิเคราะห์มีคุณภาพมันถึงจะผลิตปัญญาที่มีคุณภาพให้ได้ปัญญาที่มีคุณภาพเท่านั้นน่ะที่จะเป็นภูมิคุ้มกันจิตอ่ะ ไม่ให้เศร้ามองจากสิ่งเล่าที่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เนี่ยเรามีชีวิตมีประสาทสัมผัสคุณจะปฏิเสธสิ่งเล่าไม่ได้หรอกนเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงคุณต้องเกิดความรู้สึกอะแต่ความรู้สึกไม่ใช่กิเลสความสําคัญมั่นหมายในความรู้สึกนั้นนั้นเป็นกิเลสทําไงเราจะไปดักทันละ่ะอในเมื่อเราไม่มีปัญญาที่มีคุณภาพอ่ะอ่เหมือนเหล็ก่เอาวางไว้เฉยเดี๋ยวก็เป็นสนิมอืเขาถึงทาสีกันสนิมกัน่ะ เพื่อีป้องกันสิ่งเล่าความชื้นออกซิเจนจะได้ไม่ทําเอทําปริยากันเนื้อเหล็กโดยตรงโอกาสที่เหล็กจะเป็นสนิมก็น้อยอืมนี่เหมือนกันมาภาวนาเพื่อสร้างสติให้เข้มแข็งจิตจะได้มีกําลังจิตมีกําลังกระบวนการคิดคมีคราะห์มีคุณภาพมันถึงจะผลิตปัญญาที่มีคุณภาพให้ได้อ่ปัญญาที่มีคุณภาพอืมถึงจะเป็นภูมิคุ้มกันจิตได้คุณจะอยู่ท่ามกลางสิ่งเล่าได้ดีขึ้นอ่า ตากระทบลูกมึงกระทบเสียงเกิดความรู้สึกอ่าความรู้สึกเกิดขึ้นมาก็มีปัญญาแนบ ก, กับความรู้สึกนั่นแหล ะ, ะ, ะไม่สามารถไม่ให้ความรู้สึกไปทำปฎิยาโดยตรงได้ะไม่ได้ไปสําคัญมั่นหมายกับสิ่งเล้าต่างๆได้มันก็ดีขึ้ น, ก, นการประมวลผลหาบทสรุปได้เร็วเหมือนน้ากระทบใบ บ, บอลน่ะใบบอลก็รับรู้ใบบอลสั่นไหมอแต่ใบบอลไม่ได้รับน้ําไว้ใบบอลถึงไม่เปียก แล้วอะไรเป็นภูมิคุ้มกันใบบอลขนระดับนาโ น, โนไงอืมนี่เหมือนกันอ่ถ้าเรามีปัญญาที่มีคุณภาพมันก็จะเป็นแบบนั้นอืมตาผ่านรูปใ ห, ให้เฉยหูผ่านเสียงให้ใหเฉยแต่ตัวประมวลผลอยู่ภายในที่จะนําทุกข์รู้สุขมาให้คุณาการประมวลผลมีคุณภาพออ่ะืมมันก็พิจารณาปล่อยไปวางไปปล่อยไปวางไปอ่าเป็นแบบนั้นอืตามองนู่นออ่่า แต่สติอย่าจ้องที่นี่จ้องอยู่ที่จิตนี่จ้องที่จิตที่ใจของตัวเองเนี่นะถ้าแก้แก้ที่จิตที่ใจนี่เนี่ยที่เราสวดมนต์เอฮิปัสิโกท่านจงมาดูทำเกิดอะไรคือธรรมอ่าตายเห็นนู่นแต่ความรู้สึกเกิดนี่แต่ความรู้สึกดีความรู้สึกไม่ดีอความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกสุขไอ้ความรู้สึกนี่แหละดูมันให้ดีละทีเนี้ยอันนี้แหละคือธรรมอ่าแล้วรู้อยากโยนิสโวมานาสิการพิจารณาให้แยกใครสิ อ่าความรู้สึกดีความรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันเสถียรไหมมันจีรังยั่งยืนไหมคุณสําคัญมันหมายได้ไมเนยถ้าสําคัญมันหมายเนี่ยมันจะนําทุกข์รู้สึกมาให้น่พิจารณาให้แยกใครอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยอ่าอสุขก็ไม่มีตัวตนทุกข์ก็ไม่มีตัวตนมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกอ่ะอืมตั้งแต่เรามีชีวิตเนี่ยจนกระทั่งหมดชีวิตมันก็วิ่งตามความรู้สึกดิแหละวิ่งตามความรู้สึกอ่ากระเสือกกระสนดินลนกันไป อืทางชีวิตแต่เพราะอะไรพราะจิตมันหลงจิตยังไม่รู้ตามเป็นจริงอ่าจิตก็เบี่ยงเบี่ยงไปตามความรู้สึกของตัวเองเนี่แหละที่สําคัญมันหมายอแล้วก็มาผลักดันให้าธาตุขันกระเสือกกระสนะไปตามแรงเบี่ยงนั่นอพอหมดลมหายใจเมื่อไรอรู้สึกว่ า, าธาตุขันจะมีความสุขนั่นคนตายนอนเฉยนอนยิ้มใส่น้มามะพร้าวก่อนเข้าเมรีนเฉยไม่เห็นทุกข์ตอนมีชีวิตรู้สึกจะทุกข์ รู้สึกเยรติทุกมาดูสิอะไรทุกอ่ะอืมจริงจริงเนี่ยจิตนี่แหละมันทุกข์ทุกข์เพราะมันหลงหลงหลงยึดหลงถือหลงสาคัญนั่นไหมน่นนั่นนี่อ่าเป็นจริงเป็นจังพยายามที่จะอ่าบริหารจัดการโลกซึ่งพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นพุทธเจ้าชี้ให้เห็นเน่ความเป็นจริงของสรรพสิ่งนี่มันเป็นแบบนี้อ่าไม่ว่าเราจะมาเกิดหรือไม่มาเกิดมันก็เป็นแบบนี้ เราตายไปเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เราไม่มาเกิดเลยมันก็เป็นแบบนี้ไม่ว่าเรื่องของคนสัตว์หรือว่าสิ่งของมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วถ้าคุณจะไปอ้างว่าคุณทุกข์เพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้ี่ยชาติหน้าชาติต่อไปอีกหลายๆชาติคุณก็ยังจะทุกข์อยู่เพราะมันมีอยู่แล้วตั้งแต่คุณไม่เกิดอะคุณตายไปเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยคุณพระเจ้าพยายามที่จะบอกสอนเราอให้รู้จักบริหารจัด ก, การให้อยู่ร่วมกับสรรพสิ่งแบบนี้ให้ได้ถ้าคุณอยากมีความสุขเพราะคุณไม่สามารถไปบังคับสรรพสิ่งงให้้ไดัคุณ คุณมีสิทธิ์เพียงแค่รู้จักบริหารจากการให้อยู่ร่วมกับมันใได้มันเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะอย่าไปอ้างอยู่ที่ทํางานกับที่ทํางานเราไม่ใช่ที่อยู่พระอรหันต์นะคนมีกิเลส ด, ด้วยกันน่ะเขาก็มีกิเลสเราก็มีกิเลสจะจําเป็นต้องอยู่ด้วยกันจะทํำยังไงล่ะอืคุณไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาไม่ให้มาละเมิดคุณได้คุณมีสิทธิ์เพียงแค่รู้จักบริหารจากการตัวเอง อย่าไปละเมิดเขาเพราะมันจะนําทุกมาให้ทั้งชาตินี่แล้วก็ชาติหน้าเนี่ยที่บุรุษเจ้าท่านว่าอ่าเราก็น้อมเข้ามาเตือนตนเองอยู่ตลอดน้อมเข้ามาอ่าเอหิปัสิกโกอ่าน้อมเข้ามาดูทำตากระทบรูปเกิดความรู้สึกหูกระทบเสียงเกิดความรู้สึกดีใจมั่งเสียใจมั่งอ่าแล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นแหะไม่เที่ยงคุณ่ะแต่คุณไปสําคัญมั่นหมายเมื่อไหร่อ่ะเนี่ยคุณทุกแน่นอนความรู้สึกดีคุณก็ไม่อยากให้มันเสื่อมสลาย แล้วชอบแบบนี้อยากให้เป็นแบบนี้อยู่ตลอดคุณทุกแน่ น, น, นอนเพราะมันไม่เที่ยงหรอกน่ะเดี๋ยวมันก็เสื่อมสลายไปในพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่เป็นแบบนี้ความรู้สึกไม่ดีเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคุณก็ไม่อยากสัมผัสอยากฝักใสให้ไกลห่างน่ะคุณทุกแน่นอนน่ะอืมคุณจะไปห้ามมันไม่ได้เหมือนคุณอยู่ในโซนนี้ของดาวดวงนี้คุณจะปฏิเสธกลางวันหรือกลางคืนไม่ได้อืมคุณจะต้องเจอกับมันอืมแล้วจะทํายังไงในเมื่อมกลางคืนจะเป็นยังไง มันมืดก็จะต้องหาไฟสิเนี่ยะกลางวันเป็นยังไงมันร้อน่ะคุณจะทําไงมันจะเย็ น, นคุณจะต้องบริหารจัด ก, การตัว ค, คุณจะไปบริหารจัด ก, การสรรพสิ่งบอกไม่ได้ไม่ได้ไไดหันมาฝึกฝึกที่จิตจิตเป็นตัวสาคัญมั่นหมายคนตายแล้วไม่ทุกหรอกอแต่ไอ้จิตที่ไม่เคยตายนี่แหละทุกอืมเ่จิตที่ไม่เคยตายนี่แหละกังวละวิตกเ ร, เรื่องนู้นเรื่องนี้อ่กลัวเป็นนู่นกลัวเป็นนี่ทั้งที่มันไม่เคยตาย ด้วยความหลงแต่ร่างกายนี่เป็นตัวที่เสื่อมสลายอยู่แล้วอืมเขาไม่ได้มาทุกเลยแหละอืมอมันพร้อมที่จะเป็นอยู่แล้วอ่าเพราะมันไม่เที่ยงยโดยแต่เริ่มมันก็ไม่ใช่เราแต่ด้วยความหลงเราก็มาสําคัญมั่นหมายผมคนเล็บฟันหนังตับปอดม้ามไตอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือเราอืมโอเคตามสมมุติหรือเป็นเราละ่ะอืมแล้วเราก็ต้องเคารพสมมติถ้ายอมรับตามสมมุติว่านี่คือเราอ่า ก็เขาลบสมมุติหาอาหารการกินทําความสะอาดอะไรก็ว่ากันไปดูแลรักษากันไปแต่สักวันหนึ่งมันจะต้องเสื่อมสลายนะเพราะแต่เริ่มมันก็ไม่ใช่เราอ่าถ้าคุณมีจิตเนยที่มีคุณภาพคุณก็ไม่เบริสําคัญมั่นหมายมันมากในเมื่อจะเสื่อมสลายก็ยอมรับโอเคไม่ติดในสมมุติคุณก็ทุกน้อยหน่อยอหรือไม่ทุกเลยอแต่ถ้าคุณไม่อยากเสื่อมสลายอะอยากให้มันเป็นแบบนี้ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นน่ะ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 เราต้องมาปฏิบัติทําธรมธรมะโดยหลักการคือหน้าที่โดยสภาวะก็คือความพอดีพยายามคอนโทวนความรู้สึกให้มันพอดีซะน ะ, ะถ้ามันเป็นมันพอดีมันก็ไม่ทุกข์มันไม่ทุกข์มันก็เป็นธรรมธรรมคือความพอดีโดยสภาวะภาวานาแปลว่าเจริญอ่ารให้มันเจริญจเจริญในจิตในใจเรานี่ถ้าจิตใจเราจะเจริญแล้มันก็รู้อะไรควรอะไรไม่ควรอ่าอะไรจะนาทุกข์มาให้อะไรจะนาสุขมาให้ะอืมมันจะต้องรู้อืม เราอย่ามายึดติดแต่กิริยาการอ่าวันนั่งท่านี้คือภาวนาเดินท่านี้คือภาวนาอเช็คดูด้วยผลของการภาวนาภาวนาไปว่าเจริญอ่ามันเจริญที่จิตจิตคือท่ารู้รู้อะไรอยู่ในนี้อ่าะดูซิมันเจริญไหมนะเนี่ยมันหาแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้มาให้ตัวเองอ่าเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาสำคัญ ม, มันหมายนู่นนั่นนี่อยู่มันก็ถือว่ามันไม่เจริญมันยังนำทุกข์มาให้ตัวเองมันยังเอาไฟมาเผาตัวเองอยู่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 ที่จะคอยบริหารจัดการความรู้สึกให้มันพอดีให้มันพอดีคือไม่ให้มันโดดไปรักมากไม่ให้โดดไปชังมากอ่าไม่ให้ไปอดีตไปอนาคตอ่าประมวลหาบทสรุปมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตเวลาทํางานจะทํำยังไงอ่าตัวรู้มีหนึ่งเดียวคุณจะให้รู้จักอะไรอ่าอ่าดูหนังสือกัเอออยู่กับหนังสือทํำเอกสารอยู่กับเอกสารทําความอยู่กับความคุยกันสนใจคู่สนทนาถ้าไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องอ่าสูดลมให้ใจเบี่ยงเบนความรู้สึกครั้งของครั้งปลอสบายใจกับ อายใจเข้าพูดหายใจออกโทษปคองจิตอยู่อย่างนั้นน่ะให้มันอยู่กลางกลางนี่อยู่กลางกลางมันแวบไปก็ดึงมาแวบไปก็ดึงมานั่นคือการฝืนการฝึกยึดมันไว้อ่าแต่จะไม่ให้มันไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้อีกแล้วะมันเป็นท่ารู้จะต้องออกรู้เหมือนเราขับรถอ่อคุณต้องดูถนนเป็นหลักแต่คุณจะปฏิเสธอารมณ์เล้าอื่นไม่ได้่ะเดี๋ยวคุณก็จะต้องมองกระจกมองข้างกระจกซองหลัง เดี๋ยวก็จะต้องระวังคันนั้นจะสวนมาเดี๋ยวจะต้องประเมินว่าจะแซงคันนี้ผ่านไหมหลากหลายอารมณ์รุมเ้าคุณจะคุณไปถึงที่หมายได้เพราะอะไรเพราะรู้ระ ว, วังไงแต่ชำเลืองมองกระจกรู้แล้วก็ว่าวางอารมณ์นั้นก็มาดูถนนวางอารมณ์นี้ก็ดูถนนงานจะประคองงินไปมันก็ถึงที่หมายได้อือ่าแต่คุณดูกระจกอย่างเดียวหรือคุณเราดูคันรถคันนั้นสวนมานะ่ะอ่ามันยี่ห้ออะไรมันทะเบียนอะไรมันจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวรถคุณก็ตกถนนนี่เหมือนกันเอาไปลายจมูกเป็นถนน เนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจเข้าโทน เ, เดี๋ยวก็แว็บเลื่อนวนเดี๋ยวก็แวบเรื่องนี้นรู้ลแล้วก็วางวางอารมณ์นั้นก็มาอยู่อารมณ์นี้อยู่พุทโทพุทโทนี่จ่ออยู่ฝึกอยู่น่ะผืนไปน่ะผืนบ่อยๆเข้าสติตัวรู้มันก็เริ่มเข้มแข็งขึนะสติเข้มแข็ ง, ขงนะจิตก็จะมีกําลังกุนกำลังอ่ากระบวนการคิดวิเคราะห์ก็จะมีคุณภาพอ่าถ้าประคองเข้าไปสู่ความสงบได้ก็ยิ่งดี แต่ไม่ถึงกับความสงบอย่างน้อยก็รู้จักเบรกอารมณ์ไว้บ้างอืมรู้จักยับยั้งชั่งใจที่เป็นธรรมชาติรู้จักผิดหวังให้เป็นอืมมันก็ยังจะเป็นประโยชน์อยู่เอ่กับการดํารงชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งเล่าที่ซับซ้อนวุ่นวายแข็งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยเนี่ยพยายามก็อยู่แบบนี้แหละในมุมมองของอ่าพระป่าไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้เรียนมากอืมนั่งดูลมหายใจเข้าออกเป็นพื้น ทำยังไงก็เข้าสู่ความสงบอืมออกจากวความสงบแล้วค่อยมาพิจารณาอ่าแต่จำเป็นที่นี้ถ้าไม่มีปัญญาพื้นฐานยังไงก็ทําจิตให้สงบไม่ได้อืมมันจะต้องมีปัญญาถึงจะสามารถตะลอมจิตเข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้าไม่มีความสงบเป็นฐานรองรับอืมบอกไม่มีทางที่จะผลิตปัญญาที่จะรู้รอบในกองสังขานได้มันก็เป็นปัญญาที่ต่างเขาวะกันอืม แต่ทีนี้ปัญญาพื้นฐานกันนี่แหละอย่างที่พวกเราได้ศึกษาตามตำรับตำร า, าฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาบันทึกไว้นในสมองกเป็นสัญ ญ, า เ, ญ, ญ า, า, เาเป็นสัญญาแนตะ่ทีนี้ก็พยายามที่จะมาแปลงสัญญาให้มันเป็นปัญญาอ่าทีนี้นั่งดูสินั่งให้นานนั่งให้นานใจก็พูดใจจะโทรคิดว่าท่านให้มานั่งนานเพื่ออะไระเพื่อที่ให้มันทุกข์เนี่ยอืมอลียสัสสตีไม่มีคำ ว, ว่าสุขมีแต่ทุกข์กับความหนักทุกข์น่ะ ถูกกับคำนะถูกแต่ทีนี้เรามาปฏิบัติทํอย่าคิดแต่ว่ามันนั่งแล้วมันจะสบายได้ชาญได้แชนอะไรว่ากันไปเอถ้ามันไปถึงนั่นมันก็โอเคแต่กว่าจะไปถึงนั่นล่ะทําแท้สัมผัสที่ใจอืมแต่จะไปสู่ใจมันจะต้องผ่านเนื้อหนังเอ็นกระดูกล่ะหนังเอ็นกระดูกอ่สิบนาทีสิบห้านาทีาทกําลังฟุ้งซ่านอืมต่อจากนั้นก็ง่วงเหงาหานอนอืมหานอนทีนมิทะอเพราะอะไรเพราะยังไม่รู้ตามเป็นจริง เลยอุทจักกุกจักฝุ่งซ่านลงขันใจอยู่ฝืนพยายามฝืนอืเนอเดี๋ยวนี้มันอิเลียบทมันบังทุกอยากนั่งก็นั่งอยากนอนก็นอนอยากทําทอะไรก็ทํามันเลยไม่เห็นทุกชัดพระเจ้าให้มานั่งเพื่อที่จะให้เห็นทุกชัดอืมุ่งซ่านก็ไม่ต้องไปตามมันง่วงอย่าหลับตาถ้าหลับตาปุ๊บมันจะเข้ารวังอืมเข้าระวังมันก็จะสงบอืมอ่มามันนั่งมันจะเป็นไก่มันนิวคลสเซ น, นไก่เป็นนิวเคลสเซง ก็ฝืนนะเราไม่ได้มาตามตามใจเราออ่าืมดูพุทโธพุทโธยื้อเอ่าถ้าเรามีสติอยู่ก่อนที่จะสงบมันจะต้องรู้ถ้ามีสติเอมันจะรู้สึกเสียสมดุลอเสียสมดุลปุ๊บลืมตารีบตัดบทลืมตาจับอยู่จุดใดจุดหนึ่งอ่าแต่อย่าหันหน้าหันหลังที่สําคัญคืออย่าพิ ก, อ ย, พกอย่าดิน้นอย่าพิกอย่าดิ้นฝืนเข้าไปสติเราเรื่องรู้เราเมตใจเข้าออกสมัญญะรู้อยู่ว่าเราลืมตาอย่ อ่จับอยู่ใน จ, จ, จุดใด จ, จุดหนึ่งที่เราถนัดนะอะถ้ามันรักษาสมดุลได้แล้วก็ค่อยๆหลับตาไปือหายใจเขา้าพูหายใจออกพูแวบไปไหนก็ดึงมันมาอยู่นี่แหละจะรู้สึกเสียสมดุลหลงเหลงโค้งเค้งปุ๊บเนี่ยรีบลืมตาตัดบทไม่งั้นมันจะสะพังงกยื้อกันไปอ่าถ้าเราฝืนต่อไปอ่าถ้ามันยังไม่สงบเดี๋ยวมันก็เป็นเด็บเจ็บปวดแหล ะ, ะแต่มันเป็นเด็บเจ็บปวดดีอเพราะความฟุงงซ่านเรื่องไกลๆมันก็จะเริ่มเดือน ความหงงเหงาหาวนอนนี่ยิ่งปวดมากยิ่งไม่มีเลยอยากให้มีก็ไม่มีอ่ายิ่งปวดมากเอทีนี้ก็คําบริกรรมก็จะเป็นภาระกังบลเป็นบริโภคปวดอ่าก็ดูที่ว่ามันปวดที่ไหนมากเจ็บที่ไหนมากอ่าอสติปัฏฐานสี่ท่านอำมาใช้ตอนนี้แหละแยกสติปัฏฐานสี่อ่าแยกองค์ประกอบของรูป ก, กับนามนี่แหละเหมือนนักวิทยาศาสตร์แยกองค์ประกอบของของน้ำํำน่ะของเหลวชนิดนี้เนี่ยมิติไปที่มายังไงหาเนี่ย องค์ประกอบของน้ำ H2O มีคุณมีโทษแบบไหนเหมือนพระปฏิบัติดีนี่แหละสติปัฏฐานสี่คือแยกองค์ประกอบของรูป ก, กับนามนี่แยกดูสิ่งนี่เวทนามันเกิดแล้วนี่ชัดเจนแล้วนี่นี่คือสภาวะทุกอ่านี่คือเวทนาอะไรเป็นเวทนาเนื้อหนังเอ็นก็ดูเป็นเวทนาหรือไงอ่ะพิจนารณาเนี่ยสัญญาต่างๆที่เคยได้ยินได้ฟังมานะเอามาใช้กับมาใช้ตอนนี้เลยจะไปใช้ตอนไหนหล่ะน่าเหมือนหมอรักษาคนไข้กรักษาตอนป่วยละ่ะ ไปรักษาตอนไหนไม่ใช่เออให้คนไข้กลับบ้านก่อนหายแล้วค่อมาคุยกันเนี่ในนี้อยมาพิจารณาเนี่ยมาพิจารณาทุกตอนไหนกับตอนที่มันทุกข์เนี่ยอืมตอนที่มันสุขอยมาพิจารณาทุกยังไงอ่าพุทธเจ้านะมาเกิดเห็นไหมทําไมท่านไม่เกิดเป็นเทวบุตรอยู่สวรรค์ชั้นบุรุษแต่ท่านไม่บรรลุที่นุ่นเลยอ่ามันจะไปบรรลุได้ยงไงถ้าพูดเรื่องทุกข์อ่าคนมีแต่ความสุขจะเอาข้อมูลไหนไปเปรียบเทียบอ่า แท่านต้องมาอาศัยาธาตุขันธ์ของมนุษย์าธาตุขันธ์หยาบเนี่ยเป็นตัวสะท้อนทุกข์ให้เนี่ยไม่ได้เห็นทุกข์จะได้หาสมุทัยความคิดที่จะหาสมุทัยนั่นหลำมักอ่ะอ่าผลของมักนิโรธมันเป็นเหตุสองผลสองอ่ะพระพุทธเจ้ากี่ล้านพระองค์มาแต่สรู้อันเดียวกันอ่าสมุทัยเป็นเหตุผลก็ทุกข์มักเป็นเหตุผลคือความดับทุกข์อืมอ่ะ ประมวลมาแล้วกันนี่แหละอสามอย่างทานศีลภาวนาเนะี่ยมักแปดถึงที่สุดกับรักษาสติตัวเดียวเนี่ยถ้าไม่รู้จากทานไม่รู้จากรักษาศีลไม่รู้จากภาวนานั่นแหละสมุทยัยอนาคตของคุณทุกแน่นอนนี่เมื่อเรารู้แล้วทีนี้ก่าประมวลหาบทสรุปซิเเราจะทานรักษาศีลภาวนาขนาดไหนอ่าถึงจะพอดีกับเพศภาวะสถานะกาละเจรสของตัวเองออ่ะืเมาพิจารณาดูน้อมเข้ามา ฝืนเอาในขณะที่ยังมีชีวิตอืมในขณะที่ยังมีชีวิตเราเกิดมาอยู่ในภูมิประเทศที่เบิกออะประเทศไทยนี่ในทางภูมิศาสตร์เบิกที่สุดละในดาวดวงนี้เนะ่ะปัญหาเดียวของประเทศนี้คือมีคนไทยมาเกิดะนะ่เลมจะเป็นอย่างนั้นเราพิจารณาเอาปฏิรูปรเดียสวะโซจะานี่อในภูมิปเทศที่ดีมากในทางภูมิศาสตร์ดีปีศาสนาปริยัตปฏิบัติป ฏ, ตปฏิเวทศาสนาพุทธ จะเลร่ญนรุ่งเรืองที่สุดลในยุคนี้ของอของประเทศนี้อยู่ที่เราจะน้อมเข้ามาขนาดไหนน้อมเข้ามาขนาดไหนจะดูเอาเป็นเรื่องของใครของมันใครจะเห็นดีเห็นงามเลยกับสาธุใครไม่เห็นดีเห็นงามเลยกับสาธุเรื่องของใครของมันพระพุทธเจ้าสอนคนที่รู้อสอนที่ฟังคนฟังรู้เรื่องอแล้วก็นำไปปฏิบัติเอาหรือไม่นำไปปฏิบัติเอาก็เป็นสิทธส่วนบุคคลเลยทีเนี้ย ่ท่านไม่ได้ประกาศศาสนาให้อิฐหินปูนไทรอ่าหมูหมากาไก่ประกาศศาสนาให้คนนี่แหละนะแต่ทีนี้ก็ผ่านมากว่าสองพันหกร้อยกว่าปีนะมันก็จะต้องแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องของสิทธส่วนบุคคลอ่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอ่พระองค์นั้นไม่ดีพระองค์นี้เป็ น, นเรื่องของใครเพรามันไม่ได้ตกนรกแทนกันหรอกออเรารู้ว่าสิ่งใดดีคุณเราก็รีบทําเอาอตัวอย่างที่ไม่ดีก็เอาไว้เป็นอุทาหรณ์อย่าไปทําแบบเขา ไม่มีหน้าที่ไปซ้ําเติมเขาไม่มีหน้าที่จะไปจับผิดเขาเสียเวลาอความเร็วความช่วคนอื่นเขาอาจจะเร็วจริงเขาอาจจะผิดจริงแต่คุณไม่รู้จักระวังจิตคุณจะไปทุกข์กับเขาได้่ะอืมทั้งทั้งคุณคิดว่าคุณเป็นคนดีเออแต่ดีจริงทําไมคุณต้องไปทุกข์กับคนเร็วคนเร็วมันน่าจะทุกข์กับเราอืมดีแบบไหนสีเนี้่ยถ้าดีจริงก็เฉยพระพุทธเจ้าหมดกิเลสแล้วถ้าอยิดบินทบาทฉันขอคนมีกิเลส ท่านก็อยู่ร่วมกับคนมีกิเลสเมตตาคนมีกิเลสกับพยายามที่จะไปบอกสอนคนมีกิเลสนะพระองค์ไม่ได้ว่านะพาระอรหันต์อยู่ในทางทิศใดแต่ถาวเขจะไปปลดท่านกับมองหาคนมีกิเลสแต่เรามีกิเลสอยู่เต็มหัวใจนี่นนยังคิดที่จะไปอลังเกียดกันอยู่นี่อดิคงไม่ดีมั้งแก้แก้ที่เรานี่ะอคนนั้นทําไม่ดนีนั้นมันมีนกิเลสถึงกับเป็นแบบนั้นเลยอต่บุญเนาะเรายังไม่ได้คิด ที่จะไปทําแบบมันได้อืการคิดแบบนั้นมันถึงจะถูกไม่ดีอย่างงุ้นไม่ดีอย่างนี้เอามายกตัวอย่างเรื่องของใครของมันถามว่ารู้จักไหมว่าอะไรดีะถ้ารู้จักกระทำซะสิอืเอเป็นแบบนั้นแต่ส่วนมากมาเรีเรยนมาศึกษาพอรู้อะไรดีอ่าพอรู้อะไรถูกแล้วกเก็บไว้แล้วก็พยายามที่จะไปะบริหารจัดการโลกเห่านี้อยากสอนคนนุ่นอยากให้นั่นคนนี่ กวาดตามองคนนั้นมองคนนี้ไอ้นั่นไม่ดีอย่างนั้นไอ้นี่ไม่ดีอย่างเงี้ยไอ้นั่นนะอ่ะออัสวะจะเกิดตอนนั้นตอนที่ส่งจิตออกนอกไปดินนั่นนะไปเพ่งโทษจับผิดคนอื่นเนอะดูกิเลสที่นี่อยากเห็นกิเลสนี่แหละหน้ากิเลสตัวที่ออกไปดินพลาดพลดนี่นั่นอ่ะอ่มีสติมีปัญญาตะล่อมมันไว้นี่ควบคุมมันไว้อย่าให้มันออกไปเพ่นพ่านอนะ่ะอ่าควบคุมแล้วก็สลายมันไปอืมมันถึงจะถูกเจอถูกสําหรับ ผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปเบาไปปล่อยไปวางไปมันทุกจะถูกอยึดไปถือไปหนักไปเรื่อยๆนั่นไปเพาะกิเลสมาไปสะสมกิเลสมานั่งเพาะกิเลสเดินเพาะกิเลสถ้าเป็นนั่งสำลักกิเลสเดินสำลักกิเลสมันต้องเบาไปเรื่อยเอาไปเรื่อยดูแต่ตัวเองปีติอิ่มเอิอบอยู่กับตัวเองเราคนอื่นก็โอ้ยเรื่องของใครก็มันนั่นแหละไม่อยู่ในวิสัยบอกสอนอย่าไปลเมิดก็จะเป็นแบบนั้นถ้าคิดว่า จะ บ, บริหารจัดการตัวเองเนี่ยไม่ทุกไม่ทุกทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าอเอาเอาเอ า, เอาแค่นี้ก่อนโดยพูดลมเรื่มเดี๋ยวพวกเราจะมีเวลาน้อยถ้าใครมีอะไรสงสัยถามซะมีเยอะน่ะนพูดยาวไปเดี๋ยวก็จะไปทำงาน มีแรงรวหท่านประธานเนี่นี่ก็ถือว่าเราพูดหลายนาทีผิดปกติปกติเราจะพูดไม่ถึงห้านาทีเราก็เล่นแล้วเราเป็นพระเทแล้วผู้ใหญ่ไปได้เราคิดเล่นลเรามานั่งวางมาดเกี๊กนนี่เรากดดันแล้วมันออกมันพูดไม่ออกไอ้เาวนเป็นเนปกติเราพูดพู ด, พดไปล้วก็เราก็เล่นไปห้าไปแล้วไม่เน้นอืมเป็น พูเป็นเรื่องเวลาแล้วอืมมันมันมันมันมันเกง่งอืมเกง่งหากินทางนี้ไม่รุ่งถูกนิมนต์มานี่ยังอุ๊ยอะไรวะเนี่ยแสดงว่าทีๆๆ่ที่ไม่มีที่นิมนต์เว้ตกมาถึงเราแล้วแล้ว่าออมาถึงเราได้ยินว่าแม่กรูบาอาจารย์ท่านก็มาโอ้มีเด็กพระผู้ใหญ่มามันคงไม่มีที่นิมนต์แล้วมั้งหรืว่า เรยนะยงมิติเป็นอย่างนั้นเลยออบจะเป็นเป็นความหลากหลายครับอาจารย์ก็คื อ, เ, อเนี่ยครับอืมใครมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับการฏิบัติหรือเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่คิดว่าเป็นทุกข์จะสอบถามพอาจารย์ไหมครับอืยู่เรื่องการพิจารณาอุดมสาจะเป็น มันจะเป็นเจตนาควบคู่ไปกับการะพรก็ออเอาไว้เตือนสตินั่นแหละมันจะได้ไม่หลงกับกระแสโลกอย่างน้อยมันไม่เบื่อหน่ายค่ากำลังแต่มันก็ยังรู้จักสลดสังเวชบ้างอ่ะสลดสังเวชแล้วมันก็จะตีกลับเป็นแรงจูงใจให้อยากทําความเพียรให้มากอะทำความเพียนให้มากกับเพื่อที่จะเข้าไปสู่ความสงบให้ได้นออกจากความสงบก็มาพิจารณาอีกทีมันถึงจะเกิดนิพพานกับเบื่อหนแต่ตอนแรกเอาพิจารณาไว้ เพื่อเตือนสติไม่ให้หลงกับกระแสะโลกแต่จะให้เบือ่อหน่ายใครกำหนดหมอหนิติเวศ เ, เบื่อกว่าเราแล้วผ่าทุกวันเนี่เป็นแบบเหมือนพวกนักวิทยาศาสตร์เราไปวิทยาศนี่รทุกเดือนในวิทยาศาพวกนี้รู้จากตั้งแต่อะตอมโมเลกุลอะไรแล้วทำไมไม่เบือ่อหน่ายใครกำหนดออื <c oughs> แต่เอาไปสอนเฉยๆว่ามันเป็นแบบนี้มันไม่สวยมันไม่งามลอกตับ ป, ปอดม้ามไตลอกออกมาดูสินี่แหละคนคนึไหนคนอยู่ไหนอะไรโอ้กพิจารณาเพื่อเพื่อเตือนเพื่อเตือน มันก็จะได้รู้สึกสลดก็ไม่ทะเยอะทะยานจนเกินไปกับกระแสะโลกอ่ะมันก็จะตีกลับมาเป็นเรงจูงใจที่ทําความเพียรนี่เนะี่ยเพราะอีกไม่นานก็จต้องเสื่อมสลายเหอนั้นคือทําทุกวิธีเพื่อที่จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้อืมเข้าสู่ความสงบถ้าเข้าสู่ความสงบไม่ได้อืมคุณจะพิจารณาให้รู้รอบในกองทัพฐานก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันอมืมันจะเหมือนนาฬิกาทราย นาฬิกาใสาสมมาทิฏสัมมาสังกปรุไล่มาจนก็เป็นสัมมาส ม, มาธิต่อจากนั้นมันค่อยเป็นเรื่องของโซดาสกิธานะคะเป็นเรื่องของปัญญาต่อต่อยอดแต่ตอนแรกยังเป็นแบบนี้เนี่ยก็เหมือนจะเอาไฟเข้าบ้านไม่ต้องผ่านหม้อแปลงไฟเอาไฟแรงสูงเข้าไม่ได้ไม่สถียนนี่เหมือนกันการคิดไม่สถียนเหมือนกันเห็นมันอยากวันนี้นึกขังขึ้นมาไม่นั่งนานแต่พรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่ออ่ืมวันนี้อยากพิจารณามันก็พิจารณาไม่นานเดี๋ยวมันก็โดดไปอีกก็เป็นแบบนี้ แล้วเมื่อไหร่จะเบื่อหนใครกําหนดแต่ทีนี้จิตออกจากความสงบมีกําลังอืมกําลังทีนี้มันจะพิจารณาอะไรมันก็จะจดจ่ออยู่ตรงนั้นมันจดจ่อตั้งมั่นหมกมุ่นอยู่ตรงนั้นอ่าจากอินทรีย์ห้ามันมีพล ะ, ะถ้าเห็นผลเรื่องความสงบปุ๊บมันจะโดดไปละทีนี้อืมเป็นฉันทะความพอใจก็จะมากขึ้นศรัทธามากขึ้นความเพียรมากขึ้นจิตตั้งมั่นมากขึ้นกับงานตรงนี้อวิมังสาใข้ควรมากขึ้นในงานตรงนี้ โดดไปอิทธิบาทสี่ของมันมันก็จะเป็นแบบถามว่าจําเป็นไหมอุต้องจําเป็นสิแต่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้จักไอ้นี่มันจะเอาแรงจูงใจไหนมาปฏิบัติออืมขนาดพยายามพิจารณาอยู่อย่างงี้มันยังดีดดินเลยหมอหนุ่ยทีเวียต์ก็อย่างนี้บอกว่าหมอเขาผ่ า, าศพเรียนา น, า น, านั้นนะทุกที่กลับไปเขายังมีครอบครัวได้อะไม่รู้ว่ามันสวยอยู่แค่ครึ่งมิน พอทะเลอกหน่อยนึงกันเลยน้ำเลือดน้ำเหลืองอสุณพระอสุณพังก็มีถามวารู้ไม่รู้แต่เป็นปัญญาในสัญญาอืมแต่ปัญญาของพระน่ะปฏิวัติท่านเป็นปัญญาที่รู้เท่าทันสัญญาอืมแต่ของเราทุกอย่าง่ะถามว่ามีปัญญาไหมหมอมีปัญญาหมอไม่มีปัญญาหมอรักษาคนไม่ได้นะแต่เป็นปัญญาในสัญญาเรียนมาเซฟไว้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบถามมาต่อไปได้หมดเลยเป็นปัญญาในสัญญา แต่ที่นี่เรามาปฏิบัติเพื่อที่ให้จิตตัวยึดตัวหมายนี่รู้มันจะเป็นปัญญาที่รูู้้เท่าทันสัญญาถ้าเ น, นี่ยนอนอซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นซ้าแล้วซ้ำอีกเพิจาราจเบื่อกินข้าวกินไปเรื่อยจนอิ่ ม, อ, มอิ่มแล้วไม่บอกให้หนีกันหนีนั่นะไม่มีใครกัเฝ้าร้านเฝ้า นั่งที่ร้านอาหารอยู่ตลอดอิ่มแล้วก็หนีแหละอืมก็เหมือนกันพิจารณาจะเป็นเห็นจริงแต่เป็นจริงเบื่อไหนใครกำหนดแล้วมันก็วางของมันอย่างนอืมเอีก็พิจารณาไปเรื่อยๆนะซ้ําๆเสแฉะอยู่นั่นอืมอเอา เมื่อสักครู่เห็นพระอาจารย์บอกว่าเมื่อนั่งถึงระดับหนึ่งนะคะมันจะมีทุกขเวทนาเข้ามาใช่แล้วพระอาจารย์บอกให้ใช้สติปัฏฐานสี่เนี่ยในการแยกรูปนามใช่ใช่คือสภาวะที่เกิดตรงเนี้ยมันจะเป็นทุกครั้งของการนั่งนั่งสมาธินะคะคือพอทุกขเวทนาเกิดแล้วขั้นจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าขั้นตอนต่อไปในการที่เราจะ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 ถ้ามันเคยแล้วไม่ยากหรอกอืที่มันยากที่มันยังไม่เคยเนี่ยแต่มันมันได้เป็นบางครั้งนะฮะือนพอค่ะคือมันมันได้ไม่ชัดเจนคือโยมอยากจะทราบวิธีปฏิบัติว่าเอ๊ะจะมีวิธีการอย่างไรให้จิตเนี่ยเข้าได้อย่างเงี้ยทุกครั้งก็ทำไปบ่อยแหละทําปบ่อยก็ทำไปบ่อยอะไรที่เป็นทำไปบ่อยมันก็ชินนี่ทํามันชินนั่นแหละมันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วถ้ามันปวดมากๆแล้วมันมันไม่อยู่หรอกคําบริกรรม คุณต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นแหละทีนี้ปัญญาเอาตัวรอดปัญญาม า, า่างไหนมาจากสัญญาอ่าที่คุณเคยได้ยินได้ฟังสมมติวราปวดหัวเข่ามากอย่างเงี้ยอพุโทโธมันเราไม่อยู่แล้วเพราะนั้นก็ตัวรู้อืแทนที่จะอยู่กับพุโทโธอยู่ลมหายใจเอามารู้อยู่ตรงนี้อืนั่งอยู่ตรงนี้อ่านี่แหละแยกเลยทีนี้อ่าอะไรเป็นเป็นเวทนาหนังเป็นเวทนาเนื้อเป็นเวทนาการะดูกเป็นเวทนาสภานนี้เขาเรียกว่าทุก อ, อือะไรเป็นทุกอื เมื่อก่อนมันนั่งมันไม่เป็นแต่ตอนนี้มันเป็นถามมาต่อไปเบี่ยงเบ น, นความรู้สึกอย่างนั้นอย่าอยากไม่ให้มันหายเพรามันจะปวดนานอืปวดมากแล้วกันนานด้วยออืใช้ปัญญาเนี่เราเห็นท่านต้องการให้เห็นเห็ น, เ ห, นเห็นโทษของขันหาะนะ่านน่ะเนี่ยให้มันเห็นจริงจำเป็นจริงนี่เรากองทุก่ะทุกทั้งแท่งะ่ะออืลูกกับนานสาสารกับพลังงานทุกทั้งแท่งนี่แต่ป่านนั้นยังไม่มเบื่อหน่ายใครกำหนด อ่ายังไม่อยากจากมันตายแล้วก็ยังอยากมาเกิดอยากจะได้มันอีกอ่าธาตุขันยังงั้นสวยงามอย่างนี้อย่างเงี้ยคือพิจารณาทั้งนั้นอมืมันทุกข์เห็นมไหมอ่อถามว่าธาตุขันนี้เอาสุขอะไรมาให้เอ่าอ่าเมื่อก่อนเราเราเร า, เร า, เราไมเราอยู่ได้อิริยบทมันบังทุกข์ให้ไม่เห็นชัดอ่ะอืมเราก็เลยไม่เบื่อหน่ายอืมไม่รู้จะไปหาสมุทัยตรงไหนแต่ตอนนี้ละทุกละหาที่ที่นี้ อืความคิดที่หาสมุทยัยนี่ละมักความเห็นชอบคิดชอบการงานชอบความเพียรชอบสติชอบแต่จะถึงสมาธิชอบเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึง่งคุณอยู่ในมักแ ล, ล้วแหละอืมพิจารณาไปอริยสัจสีไม่ได้ไปดีมีที่ไหนอยู่ที่นี่อืมอ่าได้เห็นอริยสัจสี่เห็นในขณะนี้แหละทุกอ่ามักสมังคีเห็นอยู่เสี้ยวเดียวแค่นั้นเนอะไม่ได้ไปเห็นนานหรอกมันจะสงบอ่าแต่มันเคยสงบแล้วมันก็รู้ทางของมันอ่ะ จะยิบยิบยัยมันก็เข้าออกมันก็หลบไปแล้วแต่มันยากคือตรงนี้แหละมันไม่ใช่แต่นั่นเป็นสภาว่าเมื่อพอปีตีอิมเออบางครั้งก็เหมือนผ่อนลงแต่๋ยมันก็ขึ้นใหม่มันไม่ได้เข้าสู่ความสงบที่แท้จริงแต่มันเข้าสู่ความสงบที่แท้จริงขาดสะบน้ะมันยังไม่เป็นแบบนี้แร้วอืมอืมแต่ตอนแรกจะต้องพิจารณาทุกอย่างนี่แหละเห็นไหมนะนั่งวิเศษก็ทุกอืมต้องตื่นมาก็ไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ อหิวข้าวทุกออพอไปกินมาแล้วก็ทุกเดี๋ยวเข้าห้องน้ําห้องท่าทุกทําการทํางานเหนื่อยทุกพอมานั่งยิ้มสยอักก็ยังทุกอีกออืแล้วทีนี้มันมีประโยชน์อะไรนักหนานี่เราไปรักไปหลงอะไรนักหนานี่อธาตุสี่ขันห้านี่ทำไมทีนี้มันมีประโยชน์อะไรน้อมเข้ามาสอนเนี่ยสภาว่าทุกทุกลุมเราขนาดไหนนี่นั่งอยู่เฉ้มวยยังทุกเลยอื แล้วมันน่าไม่เนอะมันน่าที่จะอะไรเอาวันกับมันไม่เนี่ยไอ้รูปกับนามนี่ประมาณนั้นแต่อย่าขยับอืมสู้กันอยู่ตังนั้นแหละอืมอีนุ่งตรงนั่งอยู่ตรงนั้นแหละอืมนี่แหละทุกเกิดขึ้นเลยแหละอืมอ่าคําอริยสัจสีไม่มีคําว่าสุขอื ม, อมทุกข์แหละอันดับหนึ่งพระเจ้าให้มานั่งเพื่อให้เห็นทุกข์อืม มันดีแล้วนี่เจอแล้วอริยะสัจสี่เปิเอเป็นข้อแรกที่เฉยแต่ทีนี้พอเรามานั่งปุ๊บอยากเจียวข้อที่สี่อืมก็ไม่ใช่หละที่คือทางผ่านอืมส ต, ติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมแยกออกมาอือ่าให้มันเห็นจริงตามเป็นจริงแต่ที่ว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะ่ะที่ได้ยินได้ฟังมาเอาให้มันเห็นจริงตามเป็นจริงอืมนั่เป็นทฤษฎีอ่าถามว่าผิดไหมไม่ใช่ไม่ไม่ผิดถูกต้อง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 มันยังเข้าเลยนี่มันแต่มันก็ดีนะมันผ่านเนี่ยเนื้อหนังเอ็นกระดูกของเราแล้วนี่ออืถ้าเราพิจารณาไปแยกแยะไปมือถึงที่สุดมันจะเข้าสู่ใจอ่าใจคือความเป็นกลางอืถ้าเข้าไปสู่ความเป็นกลางได้ก็โอเคแหละอืนั่นคือความสงบอืแต่ยังเข้าสู่ความเป็นกลางไม่มันจะต้องเป็นแบบนี้อืแต่เราจะเป็นแค่ว่าเออมันมันเคยสงบเคยเบามันไม่ได้สงบแท้ถ้าเคยสงบแท้คุณจะไม่สงสัยอืไม่สงสัยแต่เพียงแต่ว่าเออมัน ่าจิตมันจดจบางทีมันก็นจะเออเบาเนื้ อ, เ บ, เ, อเบาตัวปีติสุขอะไรกันนะ่ะระยะหนึ่งเดี๋ยวก็ปีติขึ้นมาเพราะมันยังไม่ถึงที่สุดอืมยังไม่ถึงที่สุดอ่าถ้าถึงที่สุดคุณจะไม่มีวิติกิจชาอ่านี่วันห้าเป็นเครื่องกั้นสมาธิอยู่ออื ม, อมถ้าคุณเข้าสู่สมาธิแท้คุณจะไม่มีวิติกิจชาความลังเลสงสัยคุณจะไม่มีอุทธเจ้ากุกุจะความฟุ้งซ่านหลงผ่านใจเหมือนคุณจะไปสู่ห้วงอวกาศคุณต้องผ่านชั้นบรรยากาศให้ได้ อืมตราบใดที่ยังอยู่ในชั้นบรรยากาศคุณหนี้ไม่คุนแรงนุ่งถ่วงของโลกอะอืมถ้าคุณไปสู่ห้องอวกาศที่แท้จริงแรงนุ่งถ่วงของโลกจะไม่มีผลกับคุณเหมือนกันถ้าเข้าไปสู่ความสงบที่แท้จริงสิ่งแล้วภายนอกจะไม่มีผลกับคุณอืมเพราะฉะนั้นจะมาปวดแข้งปวดขาปวดนั้นปวดนี่มันไม่มีอืมมันไม่มีเพราะมันไม่มีขาอืมจิตมารวมแล้วทีนี้เมื่อก่อนมันอยู่ไหนละจิตไม่รวม มันก็ไปอยู่กับตาหูจมูกลิ้นไกา่าพอมันรวมเข้าไปสู่ใจทีนี้มันก็หนีจากตาหูจมูกลิ้นไก่ใจใจก็คือธรรมลมมันไปอยู่ตรงกลางอ่าอยู่ที่ใจความมีกลางอ่าเงตรงนี้แหละทีนี้มันก็จะไม่ทุกข์มันก็จะเห็นจริงตามเป็นจริงลราตายแล้วไม่สูญในขณะนั้นแม้แต่ลมให้ใจยังไม่มีเราก็ยืนยันแล้วว่าตายแล้วไม่สูญ แล้วก็จะมีข้อมูลเปรียบเทียบแล้วแหละทีนี้ถ้าเราไม่สําคัญมันหมายกับสารพัดสิ่งก็ไม่มีสารพัดสิ่งไหนสําคัญมั่นหมายเราแต่เราดีนดิ้นอยู่ในนี้มีแต่เราสำคัญมั่นหมาทั้งนั้นแหละนั่นต้นไม้นั่นคนนั่นหมูหมากาไก่คนนั่นคนนี้แต่ไม่มีอะไรสําคัญนั่นใหมายเราที่เราทุกข์อยู่ทีนี้เพราะเราส่งออกจากจิจทั้งนั้นออกจากกิตทั้งนั้นไปสําคัญมั่นหมายไม่มีอะไรมาสําคัญมันใหม่นั่นคือข้อมูลเปรียบเทียบน่ะที่จะเห็นชัด ออกเกีวว่กยว<ร> ก, กับความสงบก็มาพิจารณาอีกทีโอเป็นแบบนี้อ่ออกเกกับความสงบก็ตรงนี้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาที่จะล่อมตะล่อมจิตไม่ให้แสส่ืมพยายามรักษาสมดุลของความเป็นกลางไว้ความเป็นกลางจริงจริแอดบาปรเทศหลายปีแล้ว น, นั่นนะอทุกชีวิตดิ้นรนค้นหาได้จุดหมายอ่าใจในร่างกายก็ไม่เจออทุกที่เกิดซ้ำเพราะใจนําท่าเพอหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนั่นคือธรรมะ น, ะนัะ่นนะอืมเออ เพียงแต่เปลี่ยนนัยนยะความเป็นกลางเดี๋ยวนี้ใจนําพร่าเพอคืออาการของจิตอาการของใจอืเป็นคลื่นเนี่ยเยหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขหาความเป็นกลางได้ก็เป็นสุขเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นกลางมันไม่ไปรักกับไปชังมันไม่ไปอดีตกับเป็อนาคตเข้าไปสู่ความเป็นกลางให้ได้ประมาณนั้นทนอ่ ข, นอขันตีปร ะ, ะขันตีปรามังตโปตีติขาเนะี่ะ อมีแต่ขันติความอดทนอดกัน้นเท่านั้นที่จะเป็นธรรมที่จะเป็นตะปะธรรมแผดเผากิเลสได้นอกนั้นไม่มีเลยอด<ม>ทนอดทนแล้วหลวงปู่ท่าูบาอาจารย์ต่างๆเห็น ไ, ไหมหลวงปู่เจ้าหลวงตะบัวเห็นนั่งโยนก้นแตกเป็นสลบเป็นอะไรหลวงปู่ชากับปาดโทษปาดโทษคือพุทธทวเอาไม่อยู่แล้วปาดโทษปาดโทษก็แบบนั้นแ่ะคือไม่รู้จะพิจารณาอะไรแล้วแหละพิจารณายังไงมันก็ไม่ลง ก็นั่งดูอย่างเดียวแล้วที่นี่มันจะหมดเมื่อไหร่ปาฏว่าโทษเห็นไหมทุกของธาตุขันธ์ที่ทับถมอืมน่ะเป็นแบบนั้นนั่นคือทางเดินของพระอริยนั่นคือทางเดินของพระเจ้าแต่ถ้าเราอยากเห็นผลของท่านกะก็โอเคก็ต้องปฏิบัติอืแต่เราทํางานอดีตเหล็กแต่หวังผลอุตสาหกรรมก็มันก็ไม่ไหวอ่ะงจะเป็นแบบนั้นก็ต้องให้มันสมดุลกันอืสมดุลกัน ก็ถึงบอกว่าเออก็เอาแต่พอดีพอที่ได้ประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของเราลดการกระทบกระทั่งกันเนี่ยสะสมบุญบรารมีให้อินซีแก่กล้าไปมันก็ขยับไปเองแต่ทีนี้จะเอาเห็นผลที่ชัดเจนคุณนี้ต้องลงทุนหน่อยนั่งสองชั่วโมงอย่าขยับเป็นอย่างน้อยอ่ะขยับไม่ได้นั่งเอาเวลา <c oughs> นั่งเอาอความสงบแต่ยังไม่สงบก็จะนั่งต่อไปอนั่งต่อไป และทีนี้ก็จะเห็นแหละทีนี้ในขณะทุกขเวทนารุมเร้ามากๆสองชั่วโมงสามชั่วโมงถ้ายังไม่ขยับคุณไม่นึกถึงพุทธเจ้าหรอกที่พึ่งของคุณคืนอนาฬิกาเมื่อไหร่จะดังก็เช <c oughs> <c oughs> ่ประมาณนั้นแหละลองดูใครก็ได้ไม่มพพีพุทธเจ้ารับเราไม่นึกถึงเมื่อไหร่นราฬิกาจะดังลองดูก็จะเป็นแบบนั้นเนี่ย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 บอกผมโอมันปวดมากแล้วมันมันช้ามันอะไรก็ไม่รู้ซื้อมาเองเลยมาตัางเออเราก็บอกนิมนต์เอาเลยอย่าเห็นแบบนั้นเลยคือมาเกี่ยวเงินเวลาเป็นสากลแต่ความรู้สึกเรานะั้นผิดปกติออืแต่วันไหนที่ว่าเอารู้สึกจะโปรง่งเบารู้สึกเร็วนะแต่เน้อการก็ปกติแหละแต่ความรู้สึกว่าเพฮ่ยเร็วนะแป๊บเดียวคุณมีความสุขไงมันเบาโปรง่ง แต่วัานไหนที่รู้สึกงุดหงิดอึดอัดขัดข้องวุ่นวายในรู้สึกในกายช้ามากอ่ะขัามากไปเพียงเดียวนั้นแต่เวลาเป็นสาวคนความรู้สึกของคุณกันนี่แหละมันคอนทวนมันตรงนี้เนะ่ยตัวดีดดิน่นเบี่ยงอยู่นิดนึงอย่างนี้เงี่ยอดทนเราหมดทนแเราทำบ่อยๆก็จะมีนิสัยแหละมันฝึกถ้าแบบว่าต้องการให้มันเห็นผลนะตั้งนาฬิกาเลยสองชั่วโมงอย่าขยับอย่าพลิกอย่าดิน่นอืมอพลิกอย่าดิน่น อ่าจะปวดจะเจ็บขนาดไหนก็คุณเอาทั้น ง, ง่วงลืมตาอย่าหลับตามันจะเป็นนิสัยมันจะเข้ารวังอ่าทีนี้บางทีก็นั่งมันตั้งหลายชั่วโมงอะไรไปประมาณนี้ไม่รู้ว่านั่งหลับอะอืมดังได้เพราะเด็กอยู่ในท้องเก้าเดือนก็อยู่แบบนี้แหละอืมแต่ไม่ใช่สิ่งอาัศาจรรย์นะพรพุทธเจ้าต้องการให้รู้ทุกมิตินั้นอ่าเออรู้สึกเสียสมดุลโลงเหลงโคงเคงหนึ่งฟิลิปดาท่านก็นยังรู้เลยถ้ามีสติสัพยัญญะอืม ทั้งกิจกรรมเหมือ น, นไปนั้นถึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยกระประกองบแบบนั้นอนดะทนเอาอย่าขยับอย่าพลิกอย่าดิน้นดิ้นดีมากหละแพราะตอนที่ฟุ้งซ่านคุณก็พิจารณาอะไรไม่ได้ง่วงเหงาหานอนคุณก็พิจารณาอะไรไม่ได้แต่เป็นเน็บเจ็บปวดนี่นี่แหละวิปัสนาอ่อนคุณจะพิจารณาอะไรเริ่มมาพิจารณาตัว น, นี้ในสภาวะธรรมที่เกิดสดสดและร้อนระนาคุณเลยเนี่ยนีแหละเวทนาทุกหล่ะคุณจะห่วง เรื่องการเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องช่องแต่เริ่มงเนี่ยมันก็ไม่เด่นเท่าตรงเนี้ยไม่เด่นความว่วงไม่มีเลยหายใจมันยังไม่อยากหายใจแรงเินปวดอืมเนี่ยผมบนหัวก็ยังนึกว่ามันนําทุกข์มาให้มากด้วยนั่นแหะเส้นเล็กๆนะออืทุกรูขุ่มขนที่มันปวดมากลุ่มเราอย่าขยับเนี่ยมันวันนี้ไม่ไหวไม่เป็นเลยมันน้าเอายีกนี่คือทางเดินเพราะอาริยสัจอริยสัจสีไม่มีคำว่าสุข นี่แต่ทุกตกคำดับทุกอืมมันจะเป็นแบบนั้นพิจารณาให้มันเห็นให้มันเข็ดให้มันหลับนี่กองทุกขั้งแท่งนั่นเองยังไม่อยากจากมันอ่ดูที่หลวงอันนี้ให้มาพิจารณานี่แหละเป็นแหล่งที่จะเพาะปัญญาของเราอปัญญาในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงอืมให้มันเห็นจริงดำเป็นจริงปีติเป็นแบบไหนก็มันเห็นเออ เป็นให้มันเห็นอีก อ, อย่าไปนั่นเขาอาทุกนี่เออเลยนี่ทุกนี่แหละสำคัญ อ, อดทนเออืมไม่มีอะไรดีกว่านี่แต่อย่างที่บอกการทำขันตีปรมังตโพติติขาดขันติแหล ะ, ะเป็นตะปะธรรมที่จะแผ่เท้ากิเลสได้นอกนั้นไม่มีอืมถ้าปฏิบัติธรรมสะดวกขันติบัญญัติไว้ทําไมล่ะวิริยทุกขมาเจติคนจะร่วงทุกข์เพราะความเพียรบัญญัติไวนะ้ทําไมล่ะถ้ามันปฏิบัติธรรมได้สะดวกมันต้องลาบากลาบากแน่นอน เราก็ต้องฝืนแต่ว่าให้พอดีกับเราแต่เราคนเราคนบุญบารมีไม่เหมือนกันอืมแต่ก็ต้องฝืนละฝืโอเคนะนั่นแหละอดทนเอาทนเราอืมแต่เราอันนี้คือเป็นแนวทางระดับหนึ่งเพื่อที่จะสร้างภูมิอย่างน้อยถ้าไม่ได้อะไรคุณก็ยังจะได้ขันติบา ร, รมีความอดทนอดกัน้นได้สัจจะบา ร, รมีติดตามตัวเองข้ามภบข้ามชาติมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยอคุณไม่ต้องสงสัยเลยพัญญาคุณัญญะทําไม ท่านฟังทำปุ๊บท่านก็นมันรู้รู้ไม่หมดบา ร, รมีท่านสะสมมาเหมือนเรานั่นแหละแต่ทีนี้เป็นบา ร, รมีที่เต็มเปี่ยมแล้วนะ่ะเผอิญเป็นบา ร, รมีของสาวกจะต้องฟังทำจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์นึง่งอ่าถ้าเป็นบา ร, รมีของพุทธท่านตัดสรุ้เองโดยชอบแล้วแหละบา ร, รมีขนาดไหนเกิดมาพยากรเจ้าชายศิรัตถะแล้วก็รอเจ้าชายธิตาถะออกบวชบา ร, รมีท่านขนาดนั้นอืมเอ่อ และพยาศาสตร์คุณลบุตรอย่างเนี้ยที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอก็ดูทิ้งนะบารมีขนาดไหนพระเจ้ามารอเทศอย่างพวกเรานี่ก็ต้องนิ ม, มนต์พระมานเะนาะพระถึงมาเทศ <laughs> นั้นบารมีท่านเยอะนะก็แบบนั้นเนี่ยแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นก็สะสมแบบเรานี่แหละเก็บเล็กสะสมน้อยอืไว้เนี่ยเราก็มีบุญแล้วถ้าเราไม่เคยภาวานามาแต่ปางก่อน คุณไม่ได้เสียสละเวลามานั่งฟังธรรมที่นี่หรือไม่ได้เสียสละเวลาที่จะไปอยู่วัดป่าตามต่างจังหวัดคุณไปได้คุณมานั่งอยู่ตรงนี้แรงจูงใจมาจากไหนนั่งกะบาลรมีคุณเคยทํามาแล้วมีเหตุมีนิสัยมีอุปนิสัยเดิมที่เคยทามาอ่าอยากรู้ว่าคุณสร้างบุญบารมีมาม า, มากน้อยแค่ไหนดูสถานภาพของคุณในปัจจุบันตอนนี้คุณกาลังเสวยผลจากอดีตอยู่นะอยากรู้ว่า ชาติหน้าพบหน้าคุณจะไปไหนดูพฤติกรรมของคุณในปัจจุบันเนี้่ยคุณกําลังสร้างเวทของการนาคยู่อืมไม่ต้องไปถามใครอ่ะถามตัวเองนี่นอืมอ่าทานไว้ก็เออเกิดชาตินหน้าไม่อดไม่อยากรักษาศีลไว้ก็โอเคเกินมาก็เป็นปกติไม่พิกลพิการว่าไว้เสียจริตภาวนาไว้ก็จะมีแรงจูงใจอ่ะที่อยากจะสร้างคุณงามความดีอ่าอานิสงส์การภาวนาทําไม่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เฉลียวฉลาดในที่นี้หมายถึง EQ ไม่ได้หมายถึง IQ อืมอ่า IQ มากอะ่ะ EQ จะพัฒนาตามยากเพราะมันมาติด e อีโก้อ่าอีโก้ยึดไว้นา น, า น, านกับ e อีเดียดอ่ะ ม, มองมุมไหนก็ถูกหมดแต่ก็ทุกอยู่อ่ะเอาไปามาเป็นคนดีที่โลกไม่ต้องการอ่ <c oughs> ดีอยู่คนเดียวแค่ <c oughs> เป็นมาณนั้นอ่าแต่ถ้า EQ ก็โอเคละรู้จักบริหารจาัด ก, การความรู้สึกได้ดีรู้จัก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 เวลาพิจารณาเนี่ยืนวตัวตวปวดท้ายมันมันจะหา่ออกยิ่งปวดมากถ้าไม่สงบเอาไปมาจนจับจุดไม่ได้พิมันปวดที่รกกับปวดหัวเขานะ่านะทันนานนะพิจารณาไปแล้วทีนี้ยิ่งคนนานเขายังไม่สงบนะทีนี้ไม่รู้ปวดมันปวดไปหมดละปวดจนไม่มี <c oughs> ปวดช่างว่านั่นแหละทุกเรื่องนั้นแะพิจารณาอยู่นั่นปวดไหนกัช่างอื ม, อม ว่าทําได้ก็ดีสิก็อยากเป็นแบบนั้นแหละแต่อืออือถ้ามันยังอยู่กับพุโทโธได้ก็อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับคําบริกรรมได้อยู่ไปแต่ที่พูดนี่หมายถึงว่าถ้ามันปวดมากคําบริกรรมเอาไม่อยู่ มันปวดมากมันทุรนทุนทนรายกับคำบริกรรมกระเสือกกระสนเป็นปริพภ o กังวลวุ่ น, น, ว, น, ว, นวายแล้วแหละทีนี้คุณทิ้งเลยตรงนี้แล้วปวดที่ไหนชัดคุณก็ไปอยู่ตรงนั้นอืมอืมอืมอืมอืม่ืมอืมอืมอืมอืมรืมอืมกืมอืมรืมอนมองมอืมอืมมือืมอืมอืมอือมอมออืมมอมอมือนอน ก็หลับให้มันเต็มอีกมเหมือนเตตื่นมาไปทํางานเออประคองให้มันดีเต้อ อ, ออกมาก่อนก็เหมือนเรานอนหลับอ่คุณจะหลับลึกแค่ไหนก็ปล่อยมันเอะเดี๋ยวมันก็ตื่นมันอยู่ในใจรักอืมถ้าตื่นมาแล้วนะ่ะค่อยว่ากันอีกทีจะทํางานอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ทีนี้พอมันออกเกียกบความสงบใหม่ๆปุ๊บคุณก็จะโหยหาปัวกฎการนี้อ่าความสงบนะที่มันสบาย แล้ก็อยากเข้าไปสู่ความสงบอีกโอเคทีนี้ท่านก็บอมันมันเป็นของเล่นใหม่ก็เอาไปอ่าแต่ทีนี้พอมันรู้แล้วชัดเจนแล้วคือไม่สงสัยในเรื่องความสงบแล้วอ่าต่อไปก็อย่าไปสนอคล้ายๆว่าอย่าไปติดอยู่ตรงนี้มากพอเข้าไปพอมีกําลังกําลังอ่บางทีก็ไม่ถึงขนาดได้ลึกมากล่ะแค่แวบเข้าไปนะออกมาก็เริ่มมาพิจารณาจาา็เอาสัญญาทั้งนั้นมาแปลงให้เป็นปัญญาของตัวเองนะเอาน่ะทําลายพาตุขันนี้แหละ อ่าคือทำลายตัวเองให้ได้แต่ถ้าไม่มีตัวเราซัมันจบที่มันทุกข์อยู่นี้เพราะมันมีตัวเรามันก็เป็นแบบนั้นนหละแต่ทีนี้จะพิจารณาให้เบื่อหน่ายใครกำหนดในตัวเราอ่ามันก็จต้องอาศัยกําลังของจิตเพราะจิตเป็นตัวยึดเป็นตัวหมายอ่าแต่ทีนี้จิตอยู่ไหนยังไม่รู้เหมือนเสื้อเราโสกปกหาเสื้อให้เจอก่อนแล้วหาจุดมันสกปกความสะอาดเกิดขึ้นตรงไหนสกปกหายไปจากตรงไหนก็สะอาดตรงนั้นน่ย นี่เหมือนกันกิเลสหายไปกับเป็นธรรมอ่างวหายไปกับฉลาดลอืมกัที่เดียวกั น, นมันซ้อนๆกันอยู่นี่อืมบางครั้งอ่อจงหดด่ป่า้หนอืมอืมรั้งก็ตามลมาใจอื ม, มเราจะใช้อะไรก็ได้แล้วแตแล้วแล้วแต่เราถนาัดบา ร, รมีของใครของมันอุปนิสัยของใครของมันแต่ทำแล้วมันรู้สึกมันสบายเอาตรงนั้น อืมอืมอืมเนี่ยตรงไหนนิ่งเอาตรงนั้นแหละอืมอืมถ้ามันเคยได้ตรงไหนมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละทางเคยเที่ยวอืมอืมเงี้ยดีแล้วเงียังาฝ่ายทำกันเนาะ